สีหน้าตอนก่อนก่อนทานกับหลังทานนี่จะต่างกันคือบอกว่าหน้าของคนหิวโดยมากเขาบอกบุญไม่รับพระงันนะคือสีหน้าเนี่ยเป็นไปก็เรียกว่าคือไม่ค่อยงามอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าคนที่อิ่มแล้วก็มีวันณะที่งดงามเพราะวาความหิวเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นโรคแต่ถ้าหากว่าอิ่มไปแล้วก็เป็นความสุขเงี้ยนะ ตอนหิวไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังแต่การอิ่มนี้ทำให้มีกำลังทำให้มีพละมีกำลังข้าวเนี่ยนะบอกว่าคนหิว โ, โดยมากคิดอะไรไม่ค่อยออกไม่มีปฏิพานไม่มีไว้พริบเป็นต้นฉั้นการให้ข้าวเป็นทานนั้นจึงเชื่อว่าให้อายุให้วันณนะให้ความสุขให้กำลังให้ปฏิภาน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 แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการให้ข้าวเป็นทานคําว่าข้าวก็ไม่จะบ้านให้แล้วก็โยนให้ไปก้อนนึงไม่ใช่ลักษณะนั้นหมายคก็ว่าข้าวพร้อมทั้งกับข้าวเนี่ยนะพร้อมทั้งกับข้าวนั่นแหละหมายคก็ว่าอิ่มมือหนึ่งนะการการให้เป็นอิ่มเลยแหละนี้ต่อไปให้น้ําเป็นทานน่ะการให้น้ําเป็นทานก็เพื่อระ ง, งับความกระหาย การที่ท่านให้น้ําเป็นทานดับความกระหายได้ผลแห่งทานอันนี้ทําให้พระองค์นั้นดับความกระหายด้วยอํานาจกิเลสโดยเฉพาะกามทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความกระหายมันเป็นความหิวเรียกความใคร่เนี่ยนะความหิวความกระหายไอ้ความหิวกระหายอย่างเนี้ยเป็นไปกับความเศร้ามองเป็น การให้น้ำตรงๆเลยผู้รับเมื่อดื่มไปแล้วดับกระหายได้ฉันใดผู้ที่ให้ก็บุญนันนี่ทาให้ท่านพระองค์เนี่ยดับความกระหายด้วยอำนาจบาปอกุศลแล้วก็การให้เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้ดับความกระหายด้วยอำนาจบาปอากุศ ล, ใ ห, หล ใ, หหศให้แกสัตว์ทั้งหลายจริงการให้เหล่านี้เนี่ยอย่างพระองค์ให้ข้าวพระองค์ก็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 และให้ความงดงามอย่างหลายๆท่านที่บอกว่าอดีตเป็นผู้ที่งดงามเนี่ยนะก็ถามสาวๆไปแล้วจะรู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทำกรรมคือให้ผ้าเป็นฐานการให้ผ้าเป็นทานนั้นทําให้ผิวพรรณเนี่ยงดงามขณะเดียวกันคนที่ไม่มีผ้าปกปิดท่านบอกว่าฮิริและโอตตะปะกำเริบ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 อย่างเช่นคนที่มีรองเท้าใส่กับไม่มีใส่นี่มันต่างกันนะ แ, แม้กระทั่งคนที่เดินทางเนี่ยนะการการให้ความสะดวกสบายในการเดินทางเรียกว่าให้ยานพาหนะนั้นก็ชื่อว่าให้ความสุขฉันใดผู้ที่ให้ความสุขอันนี้ก็คือมุ่งนิพพานสุขพันพระองค์ได้รับความสุขคือนิพพานก็เพราะให้ยานเป็นทานนี่ให้ของหอมอผลของการให้ของหอมเป็นาทานทําให้สําเร็จว่ามี กลิ่นแห่งศีลที่หอมอบอวนไปทั่วโลกพร้อมทั้งเทวโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ทั้งหลายพระองค์นั้นไม่มีความชั่วให้ได้ตาหนิเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะพระองค์นั้นมีกลิ่นหอมคือศีลผลแห่งกลิ่นหอมคือศีลก็มาจากว่าให้ของหอมเป็นทานนะนะบูชาด้วยของหอมอของหอมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับน้าอบน้าหอมอะไรเป็นต้นนั่นเอง เรื evet, där, ่องการให้ดอกไม้ดอกไม้เครื่องรูปลายและเครื่องรูปลายเครื่องรูปลายก็เช่นแป้งให้ดอกไม้ให <Yes. S 2> <siamo. S 1> ้แป้งเป็นต้นก็เพื่อให้สําเร็จความงามแห่งพุทธคุณทั้งหลายนะพระพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยสำเร็จด้วยดอกไม้หมายว่าดอกการให้ดอกไม้เป็นทานให้เครื่องรูปลายเป็นทานทําให้สําเร็จคุณแห่งพระพุทธเจ้าหลายอย่างคือประดับพระองค์นี้เป็นผู้ที่ ประดับประดาด้วยพระพุทธคุณนั่นเองนะนะประดับด้วยพุทธคุณการที่พระองค์ให้อาสนะเป็นทานก็ทําให้พระองค์นิสสังเร็จอาสนะโพธิมณฑลได้แท่นวัชระอาจแทนเป็นที่นั่งตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการให้อาสนะให้ที่นั่งให้บัลังเป็นต้นเป็นทาน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 การให้ที่พักเป็นทานสัตว์ทั้งหลายจึงพักพิงในพระองค์ได้พระองค์จึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมกวนแก่การพักพิงเนี่ยนะเพราะเป็นสาระเป็นที่พึง่งเป็นที่พักพิงเป็นที่ป้องกันอันตรายให้แก่สัพสั ต, สตทั้งหลายความที่พระองค์สำเร็จว่าพระองค์นั้นเป็นสาระของสัตว์ก็เนื่องจากพระองค์ให้ที่พักเป็นทาน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 การให้รูปสวยๆปรารบภาพงดงามเนี่ยนะการให้สิ่งที่งดงามเป็นทานก็เพื่อให้สำเร็จรัศมีที่ออกจากพระวรกายวาหนึ่งการให้ให้สีสันเป็นทานเนี่ยนะปารบสีที่สวยๆแล้วก็ให้ไปก็เป็นเหตุให้มีพระรัศมีออกจากพระวรกายการที่พระองค์ให้เสียงเป็นทานให้เสียงเป็นทานก็ให้สำเร็จเสียงของพระองค์เหมือนกับเสียงของเท้ามหาพรหม เป็นเสียงที่ลึกนิ่มนวลไพเราะกลางวานกลมกล่อมชวนให้ฟังมีสัมเนียงที่น่าติดตามเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นผลของการให้เสียงเป็นทานส่วนให้รสเป็นทานเนี่ยนะรสอร่อยเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเพื่อจะได้เป็นที่รักของโลกบอกว่าในโลกนี้ก็บอกว่าเราส่วนใหญ่ของดีๆเราจะเปรียบด้วยรสเนี่ยนะรสชาติเป็นต้นนะรสชาติตัวนี้มันมีความสำคัญมาก ชันใดาการให้รถเป็นทานรถที่อร่อยรถที่ดีเป็นทานเนี่ยนะระสารมเนี่ยที่แตะปลายลิ้นเนี่ยถือว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวโลกของสัตว์โลกก็เนื่องจากพระองค์ให้รถที่ประณีตเป็นทานกล่าวว่าเป็นที่ยินดีของสัตว์โลกบางคนศึกษาไม่ดีก็เลยเออเนี่ยเดี๋ยวเป็นจะเป็นระสะตันหาอีกเหมือนกันแต่ละกิเลสแทนคนอื่นหมดเลยต่อไปให้โพธภาพเป็นทานก็คือ เพื่อให้เป็นพุทธสุคุมาละเกี่ยวกัความละเอียดอ่อนของพระพุทธเจ้าให้โพธพภะเป็นทานเนี่ยนะปรารถสัมผัสที่ดีเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสัมผัสเนี่ยจะได้กล่าวทีหลังะนะเกี่ยวกับเรื่องรูปเป็นทานเสียงเป็นทานกรสเป็นทานโพธิภะเป็นทานเป็นต้นเนี่ยส่วนกลิ่นว่าไปแล้วใช่ไหมให้กลิ่นให้ของหอมอ่ะนะกลิ่นก็ว่าไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนให้เพภสัชคือให้ยาเป็นทานก็เพื่อ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 ผลของการให้อ น, นันทำให้สัตว์อื่นนั้นเป็นพุทธบุตรเนี่ยนะเป็นพุทธบุตรของพระองค์โดยอริยธรรมโดยอริยชาติแห่งอริยชาติถือว่าบุคคลเหล่านั้นเกิดจากอกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยชาติส่วนการให้พระยาเป็นทานน่นะท่านบอกว่าเพื่อถึงความเป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิน้นเพราะว่าพริยาเนี่ยถือว่าเป็นสมบัตินะนะ สมบัติที่เรียกว่าเป็นอะไรนะผู้เรียกว่าสามีคือเจ้าของอั้นให้ของเป็นที่รับเป็นทานอั้นผลแห่งการให้ภริยาเป็นทานด้วยใจที่ศรัทธานะไม่ใช่ห ย, ยัดยามานานแล้วแต่หมายคือว่าให้ด้วยศรัทธาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรักใคร่ผูกพันกันเป็นอย่างดีแต่ก็สละให้เป็นทานได้ผลแห่งการให้อันนั้นเนี่ยทาให้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิ้นนะนะก็เป็นใหญ่เลยแหละ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 เพื่อให้สมบูรณ์แห่งอนุพยัญชนะปริศลักษณะมี32อใช่ไหมอนุพยัญชนะมี80อนุพยัญชนะเหล่านี้ก็เนื่องจากให้เครื่องประดับทั้งหลายเป็นฐานานะเครื่องประดับนานาชนิดเช่นอะไรบ้าง ก, ก็รอบรอบตัวที่มันไม่ได้เกิดมาพร้อมกับตัวนั่นแหละเรียกว่าเครื่องประดับที่เอามาตกแต่งตามสรีระตั้งกับผมเนี่ยนะปักผมไล่จนถึงโน่นนะประดับแถว แต่าตามหน้าตามหูตามอะไรทั้งหลายพวกเครื่องประดับเหล่านี้ก็ทําให้งดงามด้วยอนุพยัญชนะเนี่ยนะส่วนให้คลังสมบัติเป็นทานพระพุทธเจ้าเนี่บางทียกคลังให้ทั้งคลังเลยนะอย่างชาติที่เป็นพระราชาสละราชสมบัติสละให้แบบไม่ใช่แบบอะไรนะเขาเขาไล่ให้สละราชบาลังเนี่ยนะแต่สละด้วยกุศลจิตเนี่ยอันนั้นทําให้พระองค์บรรลุพระสัจธรรม บรรลุการว่าขุมทรัพย์อริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากก็เนื่องจากสละวัตถุภายนอกอนะการว่าขุมคลังคือพระสัตวธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะใช้ไม่หมดไม่สิ้นก็ mm hmm. เ, เลยเรียกว่าเป็นพระสัตวธรรมราชานีพระสัตธรรมมราชานั่นเองส่วนการที่พระองค์ให้ราชสมบัติเป็นทานก็เพื่อความเป็นพระธรรมมราชาเป็นพระราชาที่เกิดโดยธรรม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 เช่นตัดเท้าเป็นต้นให้เป็นฐานเนี่ยนะก็เพื่อก้าวไปสู่รัศมีโพธิมณฑลด้วยรอยเท้าด้วยเท้าที่มีจักการที่พระองค์ตัดเท้าให้เป็นฐานเนี่ยนะทำให้พระองค์เนี่ยมีฝ่าพระบาทมีรอยรอยจักเป็นเท้าที่ก้าวไปสู่การตรัสรู้เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ให้มือเป็นฐานให้มือเป็นฐานก็เพื่อให้ได้มือคือพระสัธรรมแก่ สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะให้มือคือสัตว์ธรรมเรียกว่ายื่นมือเข้าไปช่วยก็คือยื่นพระสัตว์ธรรมเข้าไปช่วยสัตว์ทั้งหลายนั่นเองและขณะเดียวกันก็ช่วยฉุดสัตว์ทั้งหลายออกจากโอกขะทั้งสีก็เนื่องจากให้มือเป็นทานการที่ให้หูและให้จมูกเป็นทานก็เพื่อได้อินทรีย์มีสัตว์ทินทรีย์เป็นต้นเให้หูให้จมูกเนี่ยนะก็คือเท่ากับว่า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 แล้วในบรรดาบุคคลที่ควรระลึกถึงเรียกว่าอนุสตาอนุตริยาเนี่ยนะก็ไม่มีผู้ใดที่จะควรระลึกถึงเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าจะอุปถาคจะดูแลจะรับใช้จะคอยบำรุงเป็นต้นก็ไม่มีผู้ใดใควรแก่การบำรงคู่ควรแก่การอุปถาเหมือนกับพระพุทธเจ้า น, นะอันนี้ก็เป็นผลของการให้เนื้อให้เลือดเป็นทานส่วนผลแห่งการให้ร่างกายเป็นทานเนี่ยนะ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 อนนัพระมหาบุรุษนั้นเมื่อให้อย่างนี้ก็ไม่ให้เพื่อสแสวงหาผิดไม่ให้เพื่อจะเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะความละอายหรือเพราะความโกรธเคืองในทักษินาย บ, บุคคลคือหมายความว่าท่านให้เนี่ยไม่ได้ให้ด้วยการสแสวงหาข้อปฏิบัติแบบผิดผิดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกับป่ามิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาชีวามิจฉาวายามะ มิจฉาสติมิจฉาสมาธิเรียว่าสแสวงหาพรหมจรรย์ที่ผิดหรือสแสวงหาพบภูมิเป็นต้ น, ท, นท่านไม่ได้ให้เพื่อสแสวงหาการแสวงหาพบขณะเดียวกันการให้ก็ไม่ได้ให้เพื่อจะเบียดเบียนผู้ใดไม่ต้องการจะทำให้ผู้ใดเดือดร้อนหรือที่ให้ก็ไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะถูกข่มเหงเรียกว่าคู่รีถูกเขาขูดก็เลยให้ไปถูกเขาข่มขู่ก็เลยให้ไปไม่ได้ให้เพราะกลัว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 ถ้าหากว่าของประเนีตมีอยู่จะไม่ให้ของที่เศร้าหมองคือจะเลือกให้ของดีจะไม่ให้จะไม่ให้ของเร็วๆเนี่ยนะไม่ให้เพื่อด้วยการยกตนหรือข่มผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้ให้หวังผลหวังผลอย่างอื่นนะนอกจากโพธิญาณเนี่ยไม่หวังผลแบบนั้นแล้วก็ไม่ให้ด้วยความเกลียดยาจกี่เราว่าให้แบบขับไล่สายส่งเป็นต้นไม่ใช่ไม่ใช่ให้ด้วยความไม่เคารพ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 ผ้าไม่เว้นไม่ว่าจะเป็นผ้าสีเขียวสีเหลืองผ้าสีแดงผ้าสีขาวท่านก็จะกําหนดคิดดูก่อนว่าเราจัให้รูปเป็นทานกล่าวว่าดูแลสีสันตาราบถึงสีสันก่อนที่จะให้เนี่ยนะการให้รูปเป็นทานของเราเนี่ยนะว่าเป็นของพร้อมทําวัตถุให้ตั้งอยู่ในทักษิณนัยบุคคลเช่นนี้คือหมายความว่าอย่างเช่นก่อนที่จะให้ผ้าเนี่ย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 ก็ให้เสียงเป็นทานด้วยไม่ว่าจะเป็นให้เสียงกลองเป็นทานให้เสียงกลองหมายก็ว่าให้แล้วเป็นกุศลนะ่ะนะให้ด้วยจิตที่เป็นกุศลในการให้เสียงเป็นทานนั้นไม่สามารถจะให้เสียงเหมือนแบบอะไรนะถอนเง่าบัวถอนรากบัววางกาดอกบัวไว้บนฝ่ามืออะไรรอกแต่การให้เสียงเป็นทานหมายถึงการทาให้พร้อมกับวัตถุแล้วก็ให เรียกว่าให้เสียงเป็นทานเช่นการให้เสียงเป็นทานทำไงบ้างในกาลใดทำเองหรือใช้ให้คนอื่นทำเพลงบูชาพระรัตนาตรายัยเรียกว่าการทำดนตรีเพื่อบูชาพระตัตนาตรัยนั้นไม่ได้เป็นบาปเนี่ยนะเขรียกว่าเครื่องดนตรีราาสมัยก่อนก็มีอะไรน ะ, ะดนตรีถวายพรพระดนตรีรับพระดนตรีส่งพระอะไรก็จะมีโบราณคนไทยนี่เขาจะมีนนเ ot. ขาเรียกว่าให้เสียงเป็นทานเนี่ยนะ